พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่12พระสูตรที่35จุลาสังจกะสูตรสูตรว่าด้วยสัตจกนิครนสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับนาศาลาเรือนยอดในป่าใหญ่ใกล้กรุงเวสาลีแขวนวัดชีในสมัยนั้นสัตจการนิครนก็อาศัยอยู่ในกรุงเวสาลีเป็นผู้ชอบโต้เถียง ยกตนว่าฉลาดชนหมู่ใหญ่ยกย่องว่าดีสัจกะนิครณพูดในที่ประชุมชนกรุงเวสาลีว่าไม่เห็นใครแม้ที่จะปฏิญญาตนว่าเป็นพระอรหันตรัสรู้ชอบด้วยตนเองที่ตนโต้ตอบด้วยแล้วจะไม่หวั่นไหวไม่มีเหงื่อไหลออกมาจากรักแร้อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้ตนจะโต้ตอบกับต้นเสาต้นเสาก็ยังหวั่นไหว สัจการิกรนพบพระอัศชิเทระเช้าวันหนึ่งจึงเข้าไปหาปราศัยแล้วถามว่าพระสมณะโคดมแนะนำสาวกอย่างไรคำสอนส่วนใหญ่คืออะไรพระอัศชิตอบว่าส่งสอนว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน สังขารทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนสัจการนิครนก็กล่าวว่าท่านฟังมาไม่ดีแล้วที่ได้ฟังพระสมณะโคดมผู้มีวาทะอย่างนี้ตนพบพระสมณะโคดมคราวใดคราวหนึ่งก็จะถ่ายถอนเสียจากความเห็นอันชั่วนี้ให้ได้สัจการนิครนจึงเข้าไปอย่างที่ประชุมของเจ้าลิชวีประมาณห้าร้อย เล่าความที่โต้อตอบกับพระอัศชิให้ฟังและอวดอ้างว่าจะฟันฟาดพระสมณะโคดมเสียด้วยวาทะเหมือนดึงขนแกะเล่นเป็นต้นสัจการิโรลจึงพร้อมด้วยเจ้าลิชวีห้าร้อยไปยังศาลาเรือนยอดป่ามหาวันเมื่อพบพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวขอโอกาสเพื่อให้ตอบปัญหาพระผู้มีพระภาค ทรงอนุญาตให้ถามได้ก็ถามว่าทรงแนะนำสาวกอย่างไรคำสอนส่วนใหญ่คืออะไรตรัสตอบอย่างที่พระอัสสชิเทระตอบสัจจกะนิครนแย้งว่าพืชพันไม้และคนสัตว์อาศัยแผ่นดินฉันใดคนเราก็อาศัยรูปเวทนาเป็นต้นได้ประสบบุญและไม่ใช่บุญ เท่ากับว่าถ้าปฏิเสธขันห้าว่าเป็นอัตตาเสียแล้วก็คล้ายกับไม่มีมูลฐานเหมือนคนสัตว์ต้นไม้เมื่อไม่มีดินก็ไม่มีที่ตั้งตรัสย้อนถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านกล่าวว่าขันห้าเป็นตนของท่านใช่ไหมสัจจกะนิครนตอบว่าใช่ประชุมชนใหญ่นี้ก็ว่าอย่างนั้น ตอบว่าประชุมชนใหญ่นี้จะทำอะไรท่านจงแก้วาทะของตนเองเถิดสัจการนิครนจึงยืนยันว่าข้าพเจ้ากล่าวว่าขันห้าเป็นตนของข้าพเจ้าตรัสถามว่ากษัตริย์ผู้ใดได้รับมูรธาพิเศษมีอำนาจต่างๆในแว่นแควนของพระองค์เช่นการฆ่าการริบซัพ์การเนรเทศใช่หรือไม่ ทูลรับว่าใช่ตรัสถามว่าท่านกล่าวว่ารูปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในห้าส่วนของขันห้าเป็นตัวตนของท่านท่านจะมีอำนาจในรูปนั้นว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยได้หรือไม่ศัจจการนิครนิ่งตรัสถามย้ำถึงสามครั้งก็นิ่งในที่สุดก็ยอมรับว่า ไม่มีอำนาจให้รูปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จึงตรัสถามไปทีละข้อจนถึงวิญญาณซึ่งสัตจกะนิครนก็ยอมรับว่าไม่มีอำนาจให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นเดียวกันทุกข้อตรัสถามว่าขันห้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบว่าไม่เที่ยงตรัสถามว่า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขตอบว่าเป็นทุกข์ตรัสถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราตอบว่าไม่ควรตรัสถามว่าผู้ใดติดทุกข์ยึดทุกข์ตามเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นของเรา เราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราผู้นั้นจะกำหนดรู้ทุกหรือทำทุกให้สิ้นไปได้หรือไม่ตอบว่าไม่ได้ตรัสถามว่าท่านติดทุกยึดทุกตามเห็นว่าทุกนั้นเป็นของเราเป็นตนใช่หรือไม่สัจการิครนยอมรับว่าเป็นเช่นนั้น ตรัสเปรียบว่าคนที่ต้องการแก่นไม้แต่ไปตัดต้นกล้วยจึงไม่ได้แม้แต่กัะพี้ไม้จึงไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงแก่นตัวท่านที่อวดตนในเรื่องการโต้ตอบว่าผู้ที่พูดกับท่านจะต้องวันไหวเหงื่อแตกแม้แต่เสาก็วันไหวบัดนี้เหงื่อของท่านไหลเองตถาคตไม่มีเหงื่อไหลเลยสัตจการิกรก็นั่งนิ่งเกอ้อเขิน บุตรเจ้าลิจฉวีชื่อทุมมุขกะก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคถึงสัจจะนิครนว่าเหมือนปูถูกหักก้ามสัจจะกะนิครนก็ว่าบุตรเจ้าลิฉวีว่าเป็นเรื่องของการสนทนาระหว่างพระสมณะโคดมกับตนคนอื่นไม่ควรเกี่ยวและสัจจะนิครนก็ทูลถามว่าสาวกของพระองค์จะข้ามความสงสัย ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นในเรื่องความเชื่อด้วยเหตุเพียงไรตรัสตอบว่าสาวกนั้นเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงว่าขันห้าทุกชนิดไม่เป็นของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นตัวตนของเราทูลถามว่าภิกษุจะเป็นพระอรหันต์ขีนาศบด้วยเหตุเพียงเท่าไรก็ตรัสตอบอย่างเดียวกับตอนแรก คือไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นของเราเป็นต้นแล้วตรัสสรุปว่าภิกษุผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมประกอบด้วยอนุตตริยะคือสิ่งยอดเยี่ยมสามประการคือทัศนานุตตริยะความเห็นอย่างยอดเยี่ยมปฏิปทานนุตตริยะความปฏิบัติอย่างยอดเยี่ยมวิมุตตานุตตริยะความหลุดพ้นอย่างยอดเยี่ยม ย่อมเคารพ บ, บูชาตถาคตว่าตรัสรู้ฝึกพระองค์ข้ามพ้นดับเย็นด้วยพระองค์เองแล้วจึงแสดงธรรมเพื่อให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้นสัจจกะนิครนกราบทูลยอมรับว่าตนผิดและนิมนต์พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปฉันพัฒตาหารซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงรับนิมนต์ และเสด็จไปฉันณอารามของนิโครนนั้นในวันรุ่งขึ้น